1. นอุสลติกะสเหตุเสหตุกะทุกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนาเหตุปัจใจสองยหสสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที hmm. ่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองหสิบสี่เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิคตปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระนบุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณเอเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมบยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ เหตุป да, e ัจจัยอราโมณะปัจจัยและอธิปติปัจจัย265สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยระมณะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิตซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤต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 ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเป็นปัจจัยแคลร์พวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระย่อสองสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอุปนิเสยปัจจัยมีเก้าวาระอายเสนณปัจจัยมีสาวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอา ร, รัมณะปัจจัยมีเก้าวาระย่อ ณอารมณ์ปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอร่ออารมณปัจจัยขับณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอร่อพึงขยายให้พิดารเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลติกะจะเหตุตุกะณเหตุตบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยสองหกส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 ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองหกสิปดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อแอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระยอ่อ สหชาตวาระละถึงสัมยุ์ตวาระเหมือนบ ARA, ปฏิจวาระอารมณปัจจสองร้อยหกสิบเ้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแา่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารมณะปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยมีสามวาระย่อสองอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ อนันตระปัจจัยมีห้าวาระละถึงสหชาติตัปปจัยมีสามวาระละถึงอุปนิสิยปัจจัยมี9้าวาระอาศัยวะนัปปจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมยุญตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจ er. ัยมีสามวาระย่อ นเหตุปัจจัยมีกลาวาระนั่นอรมณปัจจัยมีกลาวาระย่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีกลาวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีกลาวาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุจละติกะ สลาติกะห้าเหตุตกเหตุสัมำยุตตะทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจะตุกไนเหตุปัจใจสองยเจ็สเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุอาศัสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมบุญด้วยเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสองเจ็สองเหตุตุปปัใจมีสามวาระละถึงวิปากาปปาใจมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัปะปะจจัยมีสามวา ร, ร, ะ, ระย anyway. พพ่อณอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตะวาระและถึงสัมยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจัวาระ เหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองสิภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุโดยอรมณปัจจัยย่อ2อ4เจ็ดหตุปัจจัยมีสามวาระ อรามณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอานันตรัปัจจัยมีห้าวาระละถึงสหชาตตาปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวะณปัจจัยมีสามวาระวิปัสสปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระ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 ในขุสละตืกะเหตุสัมยุญตะในเหตุบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย27็สห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมยุญติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมยุญติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมยุญติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ e เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อสอง้อยเจดสิบหกเหตุตุปัจมีสามวาระอ ร, รมะิมณปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระอารามะนปัจจัยสองร้สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมพยุทธิเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอนกุศลซึ่งสัมพยุทธิเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอักุศลซึ่งสัมพยุทธิเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอนพยากฤตซึ่งสัมพยุทธิเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัาพยากฤต ซึ่งสัมยุญได้เหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยมีสามวาระย่อสองร้อเจ็ดสิบรมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอันันตระปัจจัยมีห้าวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอาเซวณปัจจัยมีสามวาระ กรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระและถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อนเหตุปัจใจมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจใจมีเก้าวาระย่อ อารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีก้าวาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศละิถกะหนึ่งอุศละเกะหกนเหตุเสเหตุกะทุกกะ 1-7 ถึงเจ็ 7. ปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจจะจจตุกนัยเหตุปัจใจสอง้ยเจ็สเก้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากริจซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ ge ge เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองปเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามะณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อ ณอธิปฏิปัจัยมีสามวาระณวิปยุตตาปัจัยมีสามวาระย่ะจจยะยอสหชาตวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระอรมะณปัจจสองยแปดสเอดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปั จ, จัยแก่ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยระมะณะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยรมณ์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยรมณ์ปัจจัยมีสามวาระย่อสองปสอง อารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอันันตรปัจจัยมีห้าวาระละถึงสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีสามวาระอุปนิจญาปัจจัยมีห้าวาระอเจวุณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อเนเหอตุปัจจัยมีเก้าวาระเนอารรมเนปัจจัยมีเก้าวาระย่อเนเธตุปัจจัยกับอารามเนปัจจัยมีเก้าวาระย่ออารามเนปัจจัยกับเนเธอตุปัจจัยมี9้าวาระย่อ เพืขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศละตะกะนะเหตุอเหตุกะบทเหตุปัจใจสองยสสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีหนึ่งวาระอารมณปัจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตวาระละถึงสัมย right. ุตตวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระสองรยสภาวะธรรมที่เป็นอภพยกฤิซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นอภพยกริซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ โดยอารมณะปัจจั ย, ย่ออารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเพื่ขอขยายให้พิจาราลเหมือนปัญหาวาระในกุศลเบกะเฮ hey, ตุโคจกะจก ติกะเจ็ดสับปัญญทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจญาเจตุกนายหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยาเกิดซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิญากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิญากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 2.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 เกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยยอ่อสเหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9ก้าวาระยอ่อปัจจนียะนัเหตุปัจจัย4สภาวธรรมที่เป็นอกุสลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุสลซึ่งมีปั Trans ปจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยย่อห้านเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอารรมณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจจัจะตปัจจัยมีเก้าวาระณอาศัวณปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงณมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อ นอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับเนห etu ปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตวาระและถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย 6. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง โดยระมณะปัจจัยมีสามวาระย่อเฮตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจ <yah> ัยมีเก <ogene> <aja> ้าวาระอธิปฏ <i> ิปัจจัยมีสีวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสิบสาวาระอุปาณิสียปัจจัยมีเก้าวาระ ปุเรชาตตปัจจัยมีสาวาระปัจฉาชาตตปัจจัยมีสามวาระอาสิวณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระละถึงมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสาวาระ ยอ่อนเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระนอารมณปัจจัยมีสิบห้าวาระยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในขุสละติกกะ จลละติกะแสังคตาทุกะหนึ่งปฏิจวาวะระปั จ, จยะจตุกไนเก้ 9. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จเหมือนกับจับปั จ, จยทุกะหนึ่งกุชลติกะเกสนิทัศนะทุกะหนึ่งถึงเจ็ด ปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยเกฤดซึ่งเห็นไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที claro> ่เป็นอัพยากฤิซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากริสึงเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสิบเอ็ด สภาวธรรมที si tenía, ่เป si ็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อ สิเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจญจิยะนเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอภยยากฤดซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยยากฤดซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยยอ่อนะเหตุปัจจัยมีสองวาระณนะอารามณปัจจัยมีห้าวาระณนะอธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อสาชาตาวาระและถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจาวาระ เหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสิบสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยเหตุตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริซึ่งเห็นไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยากรณซึ่งเห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยส5บห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยระมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยรมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึงเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเห็นไม่ได้โดยอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระย่อสิบหกเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระและถึงอุปาเิสิยปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อเพึ่งขายายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะหนึ่งกุศลตึกะ 10. สิศปฏิฆาทุกะหนึ่งถึงเจ็ด ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนยัยเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระ ทุตปัจมีปัจจใจละหนึ่งวาระ18สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยยาผลตซึ่งกระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัปยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัปยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยยอ่อยีเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อปัจจนิยะนัเหตุ ป, ปัจจัยยีสอสภาวธรรมที่เป็นแนุศล์ซึ่งกระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนันเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยย่อยี่สิบสองนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระนอานอรมณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมี9้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระ ยส ห, หชาตวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจัวาระเหตุปัจจัยยี่สิบสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้ โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยยอ่อยี่สิบสเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อ พึงขยายให้พิจารณเหมือนปัญหาวาระในกุศลเบกะหนึ่งกุศลตึกะสิบเอ็ดรูปีทุกขะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะเจตุกนยัยเหตุปัจจัย 25สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิสึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ26สสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูป อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่อยี่สิบเจ็ดเหตุุปัจจัยมีสามวาระ อารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงณวิปากปัจจัยมีสามวาระณชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระย่อ ชาชาตวาระละถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอรมณปัจจัยยีสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิสซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิสซึ่งไม่เป็นรูปโดยเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยระมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยระมณะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยะกฤรซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤรซึ่งไม่เป็นรูปโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิบเกเคตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงสหชาตปัจจัยมีสามวาระ อัญญันปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจ um ัยม um ีสามวาระอุปาิสยปัจจัยมีเก้าวาระเอเสวณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ พิ่ขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุศละตึกะหนึ่งุศละตึกะส2องโลกิยะทุกะหนึ่งถึงปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย สาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลคิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลคิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกคียเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งเป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งเป็นโลกคียเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งเป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤตซึ่งเป็นโลเคีย เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริซึ่งเป็นโลกคียมาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกริซึ่งเป็นโลกคียเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสาสิบเอเหตุปัจจัยมีก้าวาระอรมะณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีก้าวาระย่อ ปัจญญาณะเหตุปัจจัย32สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเป็นโลกคียเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลเคียเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยย่อสาสนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ นาอารมณปัจจัยมีห้าวาระนะอธิปติปัจใจมีเก้าวาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิเจวาระเห <h ate> ตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลเคียเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกคีย โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลคิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริซึ่งเป็นโลคิยะโดยเหตุปัจจัย35สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลคิยะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลเคียโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลเคียเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลเคียโดยอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งเป็นโลเคียเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยัคตรซึ่งเป็นโลเคียโดยอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระย่อ 36เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะโลกุตระบทหนึ่งถึง7ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัยสามเ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสาสิบเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึง อาเสวนปัจใจมีหนึ่งวาระวิปากปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสองวาระยอ่อณอธิปติปัจใจมีสองวาระละถึงนะอเสวนปัจใจมีหนึ่งวาระนกัมะปัจใจมีหนึ่งวาระนวิปากปัจใจมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจใจมีสองวาระยอ่อสหชาตะวาระละถึง สามปัุตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งเป็นโลกุตระโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระโดยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยทิฏฐิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นโลกุตระโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิศซึ่งเป็นโลกุตระโดยอนันตระปัจจัยย่อส0ิบเหตุปัจจัยมีสองวาระอารหันตปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระ อัญญะมัญญะปัจจัยมีสองวาระนิสยาปัจจัยมีสองวาระอุปานิสยาปัจใจมีสี่วาระละถึงกัมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ ย, าย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลตะกักั